น, นะความจำนะเดีมาพัฒนาตัวเองยินเรื่องยินราล่าที่ดีอาแบอบมองตนแล้วยินเรื่องยินรหลาไม่ดีก็มามองตนคนนั่นดีคนนี่ไม่ดีก็คือมองต น, นเสมอเราอยู่ในฐานะแบบไหนให้ตั้งจิตไว้ชอบ อยู่เสมออย่าได้เอ็นไปโน่นเอ็นไปนี่แม่เรื่องคนอื่นก็เป็นเรื่องของเขาเราจะต้องแก้ไขตัวเรานี่เองมองตนตั้งตนว่าอยู่ในความชอบเป็นหลักเป็นแหล่งดีๆมีหลักผู้หลักคู่ใหญ่หรือจิตที่ไว้ชอบเนี่ย ตั้งจิตไว้ชอบเนเป็นหลักเป็นใหญ่หยุทธของเราก็มีจิตใจนี่แหละเป็นหัวหน้าตั้งไว้ดีๆจะได้เอ็นซ้ายเอ็นขวาอยาเล่าลือเรื่องอะไรมองตนเสมอ เ, เวลานี้ใกล้จะเข้าพรรษาก็มอง ตนวองสิ่งรอบตัวเราอะไรที่เราทำได้ย่อมจะเข้าปัญษาก็ปฏิบัติธรรมธรรมวิ น, นัยตั้งจิตไว้เสมอว่าผู้ยังไม่มาขอให้มาสู่อาวาสของพวกเรามาแล้วอยู่ตรงนั่นตรงนี้อยู่เป็นสุข ตัดไปเลยเราจะไม่ทําให้เขาเดือดร้อนเราจะไม่ทําให้เตงเดือดร้อนและไม่ยอมจึงอื่นวัตถุอื่นให้เดือดร้อนเพราะเป็นไม่เป็นเพื่อนกับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งไว้ชอบไปเลยตัดขาดไปเลยอันที่ทําให้การเบียดเยวืนอนจนลดผลเดื่นนั่นตัดให้เลยหยุดไปเลยในชีวิตได้ทันที จะได้ทำหลายสะดวกปฏิปทาทมก็สะดวกเพราะตั้งจิตไว้ชอบมานานจนเป็นนิสัยง่ายๆอะไรก็ได้ถ้าเป็นความถูกต้องแม่ยยจริงที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องแก้ตัวเราเสมอ เกมาไมค่อยเคยเลือกตั้งอะไรเลยมีบ้างสมัยก่อนๆน ون, ู้นเจะจ้างคูยใหญ่บ้านกันนั้นอาจจะยกมือเอาอะไรก็ได้ใครเป็นก็ได้าเลือกพักเลือกพวนเพื่อกพ่องออแต่ชาบ้านเขาจะปาปะทางหนเห็นเขายกมือทางไหนมากก็ยกไปทางนั่น ก็ได้รักคนนั่นเกลียดคนนี้ชอบคนนั่นไม่ชอบคนนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นมองคนอืน่นเช่นก่อนเขาโอกาสนยั ง, งก็เขายกเวอขึ้นดูหน้าดูหลังโ อ, องมันมากก็ไปกับเขายกในขวาง ม, มืดด้วยไม่ไม่ไม่ใช่กลางวันกลางคืนรับประชุมกันสมัยก่อน ไปว่าก็ไม่มีประชมวัดวันีที่วัดก็นั่งกับหลานวัดยืนพูดกันกลางแจ้งก็ไม่นานก็เสร็จเดืมมาก็มันเป็นพระไม่เป็นพระเขาตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุธ มหาวิเลยราะพัชยภูมิไปเลือกตั้งอธิการบดีแล้วก็ให้ปล่อยเป็นสิทธิเลือกตั้งอธิการบดีให้นั่งโต๊ะกลมมีคณะบอดีตั้งหลายมีกรรมการผู้สรงอรวุให้เลือกแล้วก็ เออบาดัดใบเขียนรู้ว่าทํางจนใจเลอะเกินก็จะเขียนเลขศูนย์ก็เหมือนกับว่าไม่ให้ความสําคัญก็เลยเขียนเลขที่ที่เห็นว่าดีเพราะรู้จักดกตรคนนี้สามงาปนปฏิการบดี เอาพี่เลยเราจะพัดได้ก็เลยเขียนแล้วก็เข้ามาเจ็บว่าบแปบแปเดียวก็ได้คนที่เราเลือกแต่เราก็สงสารคนที่ไม่ได้ก็เลยเออแล้วก็เราชอบที่เลือกที่รักมากที่จังหรือเปล่าก็ไม่ใช่ก็เลยคิดอยู่เสมอว่าเออนี่สงสารเขา เำาไม่เป็นแม่เขาจะเล่าเรือว่าคนนั้นดีก็เป็นเรื่องของเราคนนั้นไม่ดีก็เป็นเรื่องของเราเราอยู่ทาธระแบบหใหม่ตั้งจิดว่าอย่างนี้แม้เราปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันก็อย่าไปเลือกอะไรจนเย็นไปน่นเย็นไปนี้อะไรเกิดขึ้นก็ดิ้งเรามีวิธีปฏิบัติ ตามหลักคำสอนยิ่งสะดวกมีสติเป็นกายเป็นประจําเนี่อมันได้หลักเหมืนกับผู้หลักผู้ใหญ่ เ, เสร็จเขืนเป็นศีลละลงไปแล้วมีสติเป็นกาเป็นประจําเนี่ยอะไเกิดขึ้นก็รู้เนี่ยมาทางไหนก็รู้เนี่ยภายนอกภายในก็รู้เนี่ย มัก็เลยง่ายขึ้นเป็นที่เป็นเจนเป็นหลักทำให้หลงมั่นคงที่จุดเวลาปฏิบัติธรรมตาความดีโอจริงเอาจังจับร่วงที่เกิดขึ้นกับเราเนี่มีหลักแน่นอนแล้วบัด น, นี้ได้หลักแล้วได้การได้งานดีแล้วพออกขอจอจ ในการปฏิบัติในการศึกษาเรื่องนี้ว่ามีสูตรที่แต่ข้าก็เป็นสูตรสําเร็จสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่เนีนไม่มีผิดเลยเวลามันเกิดแล้วรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยอะไรก็เลยง่ายง่ายง่ายง่ายง่ายๆอย่างนี้เนี่ยโอ้ก็ขยันบังเพียรเลย เกิดจากอะไรต่างๆที่เคยเป็นครวญญ า, าติโยมหมามีลูกมีเมียมีทุกข์มีจนมีสุขมีทุกข์อะไรต่างๆเกิดขึ้นบ้างแต่ก็มาเจอหลักเข้าแล้วก็ล่มระลายไปเลยมันเป็นเสาเขื่อนเหมือนน้ำแต่มันคืนมา ไปเปรียบเที่บชีวิตนักปฏิบัติจริงๆเหมือนฝังทะเลหัดซ้ายหัดซ้ายฝั่งทะเลขึ้นมาขนาดไหนพอมวเจอฝั่งแล้วก็เงียบหายไปเงียบหายไปชีวิตฝังทะเลขึ้นมาขนาดไหนก็เป็นอย่างนั้นฝังทะเลไม่หวั่นไหว ไม่เหมือนฝังลำบากเทาพังอยู่เรลยอ่าไม่ใช่ฟังทรายฝังเป็นฝังฝังห้วยฝังคลองลอยฝั่งมันลาดมันลาด ม, มันไม่ชันีวิถีมีหลักคือมันไม่ชันมันรับได้ไม่เป็นอะไรเนีย่ยมันรับได้ สุข ก, ก็ไม่เป็นไรนรับได้ทุกข์ก็ไม่เป็นไหลลับได้ผิดก็ไม่เป็นไหลลับได้สงบ ก, ก็ไม่เป็นไหลลับได้ต้งสัานก็ไม่เป็นไหลลับได้นี่ชีวิตชายฝั่งอะไรสะดวกใ้ยุ่งแล้วยากอดำข้องเครียดเวลาปฏิบัติมานจะอมยิ้มเสมอมันมีชายฝั่งมันมีหลักอย่างเนี้ย จนไดรับความสะดวกมากในการปฏิบัติทำความดีเนี่ยได้ได้ประสบกว่ารได้บทเรียนเยอะแยะเลยมาไลยเป็นดีทั้งนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสุกก็ไม่เป็นไรทุกข์ก็ไม่เป็นหลายผิดก็ไม่เป็นไรถูกก็ไม่เป็นไรสงบก็ไม่เป็นไพุ่้จ้างก็ไม่เป็นไร เก่งไปเลยเลยนินทาไม่เป็นไรสนเสิญไม่เป็นไรสุขทุกข์อะไรไม่เป็นไรอา้าวเก็บ ก, ก็ไม่เป็นไรแกก็ไม่เป็นไรตายก็ไม่เป็นไรมันก็เจ้าหน้าไปเรื่ อ, ๆอยๆแปลงเนี้ยมันก็มองให้กระแสอย่างเนี้อะโอ้มันไปทางนี้แน่นอนเนาะความล้ความชังกักขังมาได้แล้วผ่านได้ทุกวิถีทางในการปฏิบัตินี่ดนขณะนี้นะ มันมีความชอบที่สุดถูกต้องที่สุดหรือแม่ เ, เรื่องใดที่เกิดขึ้นมาเกิดจะมีจิตเหตุผลหน้าตัณหารอยแปดมันก็ได้ความถูกต้องหลงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเป็นความเป็นเครื่องทุนแรงทำสิ่งที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายในการปฏิบัติทำไง ม่ใช่มันยากสมัยมันยากวันถี่ถามยากเขียนแต่บอกให้เห็นความคิดมันก็ยากเอาความง่ายมาเป็นความยากเอาความยากมาเปความง่ายทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากเพราะมันไม่ได้งัดเหม่อนฝังทะเลที่แยกเริ่มไม่ถูก จะเอาได้มเน่ยจะได้ไหมเนี่ยทำได้ไหมเน่ยยากไหมเนี่ยง่ายไหมเนี่ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีมัวแต่ถามอย่างนั้นด้ว่าต่อรองเราตั้งไวผิดอะไรก็ได้ตั้งปวดีๆอย่างนี้ปฏิบัติทำ ม, มาอยู่ที่เราเองไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นสิ่งอื่ม้แต่ครูอาจารย์ก็เป็นเรื่องของท่านท่านเชื่อเราไม่ได้ ผิดเราก็ผิดเด้งถูกลราก็ถูกเด้งตอ ง, งหกักไม่เคยเสียงโลกเสียงลาบอะไรต่างๆชื่ อ, อไม่ชื่อเลขไม่เคยมันอยู่ที่เราจนอยู่ที่เราม่อยู่ที่เราดอดอยู่ที่เราเสียอยู่ที่เราคิดอย่างนี้ตลอดเวลาไม่เคยเล่นการพนันไม่เคยเสียงนั่นใ น, ใ น, ใ น, งงนี่นั้นนี่ดีฟึ่งอันเดิน แต่เหลเครื่องหลังของของครึ่งดิ้ดตีปฏิหารก็ไม่เคยพึ่งแล้วอยู่ที่เราเนี่ยมั่นใจอยู่เนี่เราเล่คนหรือคนนั่นเป็นนา่นคนนี้เป็นนี่ก็ไม่ได้สนใจสนใจเราเรื่องเดียวตั้งไว้ดีเราอยู่ฐานะแบบไหนเราในฐานะแบบไหนแล้วก็อยู่ในสังคมที่คนหลงม า, มากๆ คนมีชุกก็เห็นคนรวยก็เห็นแล้วก็อยู่ฐานะแบบเนี้แล้วมาเลยหลงไปกับจริงเหล่านั้นในการปฏิบัติมันตั้งตัวไว้ถูกตั้งกิจไว้ชอบเนี่ยมันถูกต้องถูกต้องถูกต้องก็ได้ความถูกต้องขึ้นเยอะแยะความถูกต้องที่เกิดมาจากกายมันไม่มามาจากความไม่ถูกต้องเกิดความถูกต้องล่มไป ความถูกไม่ถูกต้องจะเกิดกับจิตใจมาเข้าหลักปฏิบัติก็ได้ความถูกต้องเกิดขึ้นกับจิตใจอภัยอธารก็ได้ทิศลิที่เนีย่ยนอนที่สุดชอบชิดดดิชอ บ, ชอบตั้งใจชอบงานงานชอบเรื่องชีวิตชอบ ว่าเพียงชอบต้องสติชอบสมาธิชอบบางทีสมาธิไม่ได้ตั้งมันพาไปเองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีสี่นี้มันก็มีขึ้นมาก็พาไปสู่ความสงบพอไปสู่ความสเป็นอะไรไม่หวั่นไหวกับสิ่งใดสิ่งที่เคยมีมามันหมดไปหมดไปก็เข้าไปอยู่ในสมอาธิไม่ใช่ฝึกมันพาไป ศีนพาไปสมาธิพาไปศีลพาไปสมาธิพาไปปัญญาพาไปหรื ว, ว่าทำนําพาไปว่าใช่ชวนกระแสเลยวัดที่วัดทาเนเพราะมีหลักที่ทําให้เกิดความสะดวกยิ่งอาศัยก็ทําทำคำําสอนมาประกอบก็ยิ่งอบอุ่นใจ มีจริงมีจริงทำได้จริงปฏิบัติได้จริงปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการจริงจริงก็เหมือนกับพระเจ้าอยู่เฉพาะด้าช่วยอะไรเกิดขึ้นมากอ็อุ่นใจอุ่นใจบางทีก็เห็นเพื่อน อยู่องค์พระโลกนั่นอาจารย์ตอนนี่อยู่ที่นั่นกะดีหลังนั่นเห็นแม่ชีเห็นญาถิเนโยงอยู่ที่นั่นแม่ของเขาเป็นคนไม่ดีแล้วเขาก็เป็นเพื่อนเราทําให้เราเด้ได้หลักเราจะไม่พูดเหมือนเขาเราจะไม่คิดเหมือนเขาจะไม่ทําเหมือนเขาเป็นหลักเอามาเป็นประโยชน์ทั้งนั่นเมื่อใดเกิดอะไรเกิดความหวั่นไหวเพื่อน อูมากลากไปไม่มีตั้งหลักไปอย่างนี้เสมอการปฏิบัติธรรมผ่านทุกสังคมผ่านทุกลูกทุกแบบมาฐานะแบบไหมแเราก็จะต้องรู้เพราะเราตั้งจิตไว้ชคอะไรเอียั้งไปหลักทรฟ้าไปการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นกรอบเป็นกรรขึ้นมาจริงๆ ต่างเก่าค้นภาวะเดิมจริงๆว่าตัต้งไว้ชอบวันที่ว่าไ้ถูกต้องจริงถ้าไม่ถูกต้องให้ถูกต้องหวอมหลงไม่ถูกต้องก็ไม่หลงถูกต้องมาเท่าไหร่ก็ได้ประโยชน์จากสิิงนี้มาทุ ก, ก็ไม่ถูกต้องข้อมไม่ทุกถูกต้องมาไลายเป็นดีอยู่เสมอโดยเป็นความสะดวกในการเละความชั่วททำความดี สะดวกที่สุดเลยก็ตื่นลุนลุนหยอกเข็นหยอกเข็นหยอกเข็นควา ม, มดียหยอกเข็นความทุกข์กเห็นความอะไรที่มันไม่ถูกต้องว่าอะไรความถูกต้องเป็นเจนเป็นหลักนะครพระุทธเจ้าจอมเฉิ น, ฉนอริมกักหลงแปดเป็นธรรมวชุมกุณิฟานใครก็ทําได้เรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องยุ่งเรื่องยาก ว่าใช่มัาา่วไพพุทโจอัมไพพลหันที่ไหนแล้วก็เป็นชีวิตหนึ่งมีรูปมีนามเหมือนกันเนี่ยตัวใจะจะปลายเหมือนกันเนี่ยความหม่เที่ยงก็มีเหมือนกันความทุกข์ก็มีเหมือนกันอมมาใช่ตัวตนก็มีเหมือนกันทุกชีวิตเหมือนกันหรือว่าสามมลักษณะไม่ใช่ลักหลันกันเลยจะเตี้ยขนาดไหนคนเราเน่ะชิตไหลเสมอ เอาหลงก็เทียนก็ได้หลงก็เทียนจะเจ๋งขนาดไหนหลงพ่อเทียมครูของเราหลงก็อเทียนจะเจ๋งขนาดเราก็มีลูกมีน้ําเหมือนกันเนี่ยต่อลองเลยทีเดียวเปิดเดิมเลยทีเดียวหลงพ่ออายุเท่าไหร่ปฏิบัติซ้ํารรเนี่ยอายุสี่จุดกปีตอนนั้นอายุเราแล้ไม่ถึงเกือบสิบสามทีเดียวแล้วคิดไหลทันทีเปิเดิมไปเลย เรานั่นเราจึงไม่ทอถอยว่าจะตั้งจิตไว้ชอบล้าฐานะของเราอยู่ในฐานะแบบไหนสิ่งที่เรามีหลวงพ่อเทียนเอาทิ้งสิ่งที่เราไม่มีหลวงพ่อเทียนคุยอวดเนี่ยแล้วก็ อ, อยู่เนี่ยบทที่บทําก็มันมีหลักอยู่เนี่ยมันสามารถก้าวไปนู่นชัยชนะอยู่ที่นู่นรวงแก ต้องชนะความแก่ความเรียบต้องท้าความเจ็บความตายต้องชนะความตายเป้าหมายเท่นั้ น, อนเอาอย่างพระจิตธรรมเห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นโจทย์ตัวใหญ่แล้วมองไปตรงนี้ทั้งนันมงองไม่เหมือนกันก็มาดไปได้แล้วก็รตรูปเรื่นันเมื่อแต่ความคิดนมันพาเราเกิดดับเกิดดับเราอย่างต้องบำบมดก่อน รู้ทันทีรู้ทันทีรู้จึกตัวทันทีมีงานมีการงานล้นเหมืองงานปฏิวัติธรรมงานที่ชอบที่จุดเลยให้เกิดจากกายจากใจจากรูปจากนามเราเนี่ยมันมาไม่ชอบค้าชีวิตมาค่อยถูกต้องมาเบนบ้านเร า, าไม่เป็นคนชั่วเหลวชามมันก็ยังไม่ีอะไรเปื้อนเกินมาเยอะเป็นดีสัยก็ไม่ เราจึงต้องพึงหัดัง้งไปฝึกขัดมันไปมันไม่เป็นอ๋อเสจยสิงที่ไม่ถูกต้องถูกต้องเล้วฝึกขัดมีให้ปึกสติตั้งไว้อะไรที่ไม่ใช่สติเนะี่ยมาเพี่ยนมาเป็นความรู้จักตัวอ๋อเสียกรรมฐานเนี่ยเนี่ยมันมีงานให้ทำอยอะเนี่ยบางคนเน่ยอยู่ไม่เป็น ไม่ได้ทำโน้นทำนี่ทางานทำางานเกิดจากกายจากใจเราก็ไม่อยู่ก็อยู่สวนโมกเพราะหางานทำทีอพระธานีอาจารย์อาจารย์งานให้ทำเมื่อเราเป็นเป็นแม่งงานก็ว่าได้สมัยหมไปอยู่สวนโมกโจผู้โขทําอุโมงค์เ้อหินไม่กลัว วเวขาจะทำไม่ได้พอแรงงัดก้อนหินเท่าหอนี่ยกมาขึ้นแ่้คนี่มันเคยยกเอายกกินเราก็ยกขึ้นงัดก้อนหินใหญ่ <c oughs> อดีตงานอะไรางานสมัครเป็นไม่ใช่งานที่ทุ่มเทสมัครเล่นอนทีตเหล็กงานหลักของเราก็งานชอบเลย แม่ทำงานต้องตั้งไปชอบเสมอสนุกไปกับการงานก็มีบางโอกาสแต่ว่าเช่บ้าทำงานเราจึงก็เกิดงานเชฟเรทุกอย่างฟองเหวยนชอบฟันลำดีชอบผู้จอชอบผ่งนงานชอบไปกันเลย เอ่ก็เป็นเครื่องมือก่อนบรรลุธรรมไปเลยเป็นความรู้จากตัวเป็นความไม่เป็นไรไปเลยเหนื่อยก็ไม่เป็นไรร้อนไม่เป็นไรหนาวไม่เป็นไรหิวไม่เป็นไรใช่ง่ายง่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรหิวก็ไม่เป็นไรไปอบลมอ่ไร มาจะรอเป็นหมอชาวบ้านเขาเห็นอยู่ในป่าในดงเขาไปอบรมเรื่องสารสูกรเบื้องต้นงาช่วยชาวบ้านรื้อจับยุกจับยารื้อจักตัวพื้นฐานหวังความเจ็บป่วยของคู่คนตอนเลิกเรียนเลิก นันกับมีพระนั่งกินโน่นนั่งกินนีดนน่ดื่มนู้นดื่มนี่ไม่ล้านจัดถา a n y w h จะรอสำหรับมีพระเครื่องดื่มเครื่องอะไรต่างๆเครื่องใช้จำเป็นสำหรับพระไปนั่งเต็มแบบเหลืองแล้วก็มาไปนั่งขอาาจิตติดูในที่พัก ฟ้ากลมาเอ้ยไ ม, ไ, อรรมอ ไ, ไม่ไปอนไปทำอะไรไม่ไปดื่มอะไรบ้างเลยไม่เป็นไรไม่หิวเลยก็ไม่เป็นไ ร, ไน ร, ไนไรก็ฉันอื่มอยู่แล้วหิวอยู่แต่ว่าแล้วไม่มีปัจจัยเลยมีผมไม่เชื่อว่าท่านจะมีนะผมมีนะของพกเนาะเป็นหมื่นนะำมันีงแต่ว่าเนี่ย แล้วเราก็ไม่มีขนาดนั้นพอไว้ค่ารถค่าเรือไปกับก็มีผมไม่เชื่อมีอะไรมันนอนอยู่นี่ต้องกินไข้เห็นเคยนั่งอยู่นี่เราบอกว่าเขาอดไปได้ผมมานี่ยใช้เงินไปจำนวนมากต้องเดยนเที่ยมาไปขอโยมยมให้ผมส่งเงินมาให้ผมไม่ได้ใช้เลย คือเราก็มาได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไไ ด, ไได้ไม่ได้หลงกับอะไรต่างๆเาตั้งไว้เสมอไม่เป็นไรหิวก็ไม่เป็นไรเราพวกนี้คนไรกินถ้าทั้งไว้อย่างนี้เราคนก็หิวด้วยซ้ำไปจะได้กินข้าวอิมกินข้าวแทบตอนเช้าเราจินเลยอิม่มถึงขึ้นมาก็แปลโอวันจินอะไรต่ามก็จินข้าววัวได้ ไม่เคยหัดแบบนั้นเลยขออยากให้ได้ดื่มอะไรตอนเช้าก่อนอาหารไม่เคยหัดแบบนั้นขอจิ้นข้าวเป็นคําแรกตั้งแต่เจ็ดแปดชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงมาเนี่ยขอเอาข้าวเป็นคําแรกไม่ต้องดื่มอะไรก็อย่าไปคิดอะไรให้มันยุ่งยากกำไรมันยุ่งยากเกิดขึ้นอย่าไปหงัดสิ่งที่มันยากยากไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตั้งกิจไว้ดีเวลาเราปฏิบัติอย่าเอายากเอาง่ายเป็นเจนฑี้วัดอย่าเาผิดเอาถูกเป็นเกนท์ขี้วัดแล้วก็พาไปด้วยถ้ามันสงบกาพอใจถ้ามันฝุ่งฟ่านก็ไม่พอใจถ้ามันยากก็ค่ อ, อเครียดถ้ามันง่ายก็ยิ้มเย้มแจ่มใสไม่ใช่นะักปฏิบัติตั้งกิตไว้ชอบแบบนั้นไม่ ไม่ไม่มีโอกาสประลุธรรมนะว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นตามไม่เป็นมักมักต้องไม่เป็นอะายกั็อะไรอยู่ตรงกลางจุก็รู้ทุกก็รู้ิดก็รู้สงบก็รู้นี่พูดอยู่นี้ตลอดเวลาให้ได้ยินเป็นเสียงพูดให้ไดออกไปใช่เพียรก็รู้เนี่ยถูกก็รู้สงบก็รู้พวงซ่านก็รู้สุก็รู้ทุก็รู้เนี่ย เหนื่อยก็รู้หนาวก็รู้ร้อนก็รู้ปวดเมื่อยก็รู้ว่าเปลี่ยนไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นตามธรรมดาธรรมดาธรรมดาเป็นเช่นนั่นเองไปเช่นเอ ง, เปเองไปทางเนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปทางนี้อย่าให้หวันไหวทั้งจิตทั้งใจแมาการมันจะเมือเม่อยเมื่อยล้วปวดก็จะให้หวันไหวใ จ, จแสดงถึง อะไจะแดงดทั้งหมดอะยรต่างๆไม่ใช่จิตใจยิ่งมั่นคงทำมันยิ่งใหญ่จิตใจเนี่ยตั้งมาชอบดีๆอย่าให้มันไปก่อนตัวตั้งมาชอบไปมันจะไปก่อนนาะถึงเจลนะ่ะตาเห็นหลุดกับพอใจไม่พอใจก้าวแรกในจิตใไปรรยากาศประวิจรมีความเปลี่ยนเครื่องขอเฉลิม มีสัมยามีสติถอนความพอใจและความวาพอใจในงานงานกนรรมฐานนี่เจอขึ้นึกเลยแม้แต่สุขทุกข์เกิดขึ้นก็ถอนความพอใจไม่พอใจแม้แต่คิดเกิดขึ้นก็ถอนความไม่พอใจและไม่พอใจทำเกิดขึ้นกน็ถอนความพอใจและไม่พอใจนี่คือจิตัดไว้ให้มันชอบฟับงดูดีพระเจ้าสอนนี่ยเอามาทําเป็นไง เอาหนังสือองกมอ่านพูดได้ชวดได้แต่ว่าปฏิบัติไม่เป็นมันก็ไม่ไ ม, ม่ประโยชน์อะไรเราต้องออกมาประกอบมาทําดูอย่างนี้ต้องหัดกาไม่หัดก็ทําไม่เป็นหัดให้เป็นไม่ใช้สอนเราได้ครูบาอาจารย์สอนมาได้พุทธเจ้าก็สอนไห้มาได้แต่หัดให้เป็นนี่มีแต่ตัวเราสอนตัวเรา ออเอาคเดิมไวเลยไม่เป็นไรจบก็ไม่เป็นไรถ้าไม่รู้คำว่ารูา้จักตัวรู้สึกตัวนะเอาภาษาชีวิ ต, ต ล, ล, วล้วนๆก็ได้ภาษาอีสานกัมุมยะมุมยะตัวรู้จักตัวเนีอาาายาษอะไรก็แล้วแตจะใช่แต่ว่ารู้จักตัวนะ ผมรู้จึกตัวเนี่ยเป็นประชาบาลีจ้าตื่นตัวรู้จึกตัวมันกทั้งหมดเลยเอาตัวรอดได้อ่าจุกอ่าทุกเอาตัวรอดไม่เป็นเลยตัวคล่องมันตลอดเวลาไปไหนก็คล่องอยู่เนี่โูปไม่แจกไม่แจไม่ไขไปไม่ได้ถ้าจุกเป็นจุกทุกเป็นทุ ก, ทกเนี่ยไปไม่ได้เลย ทุก็คือรูทุกก็ ค, คือรูนี่ไปได้ปวดปล่อยไขขุนใจเจ๊ซะหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วที่ว่าถอนความพอใจและความมาพอใจในรูปออกเสียได้โรคไปเป็นเนี่ยพอใจไม่พอใจนี่เรียกของลดขอโลกธรรมมันต้องไม่เป็นลายลดของธรรมลถของธรรมล้มชนะรถทั้งพวงสัพพะรัสสังตะวนรัสโสขินาติเห็นไหมนี่ยธรรมดาเนี่ย ว่าสับมรตังทรมรตังขีนัติถ้าไม่อยากจะพูดวลีนะร้องขอใช้เวลานะ